อย่ากรณีถาเราสติแล้วก็โยกแกบไปโยกเป็นอัลไซเมอร์โยกอยู่สติไหมไม่มีหรอกไม่มีเพราะว่าไอความรู้เน้รู้ตัวความจําได้หมายรู้มันสูนไปหมดนะแต่ว่าจิตอย่างจะยังเป็นกุศลได้ถ้าว่ามีพื้นจิต ด, ดีแล้วคนที่เป็นอัลไซเมอร์ เราจะมาคิดว่าหลายคนนะหรือส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาสะสมมาในอดีตถ้าเป็นคนใจเย็นปล่อยวางเนี่ยอาการตอนเป็นอัลไซเมอร์ก็จะไม่ไม่ไม่ไมก้าวร้าวไม่อารวาสถ้าเป็นคนที่มีความขับแทรมีความโกรธสะสมอยู่ตอนเป็นอัลไซเมอร์ก็จะมีการกระสับกระส่ายก้าวร้าว อันนี้ก็เป็นเรื่องของพื้นจิต ท, ที่สะสมมาแล้วขณะเดียวกันถ้าพื้นจิตสะสมมาดีมันก็จะจิตก็ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลมากในตอนที่เป็นอัลไซเมอร์คนเปอัลไซเมอร์เนี่ยมันคือจิตคนเรามีหลายระดับนะระดับระดับระดับที่เป็นการจำได้หมายรู้ก็จะเสียไปแล้วแต่ส่วนที่เป็นความรู้สึก อาจจะ ย, ยังยังยังทำงานอยู่คนอาเซอรเมอร์หลายคนเนี่ยเวลาดูเหมือนเขางุนง่านต่างๆๆพอแต่พอได้ฟังเพลงก็จะนิ่งก็จะนิ่งแสดงว่าเพลงเนี่ยมันมีผลต่ออารมณ์ของเขานะบางคนเนี่ยหลายคนเนี่ยพอเจอแมวเจอหมาจะจะนิ่งเหมือนกันนะแสดงว่า จิตส่วนเนี้ยส่วนอารมณ์เนี่ยมันยังยังยังตอบสนองอยู่ตอบสนองต่อสิ่งเราภายนอกเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นลูกหรือเราเป็นคนดูแลก็พยายามสร้างบรรยากาศที่พยายามเป็นบรรยากาศที่สงบเพื่อพอยยทําให้ใจก็เป็นกุศลไปด้วยเพราะจิตของเขาเนี่ยในส่วนอารมณ์มยังตอบสนองได้อยู่นะต่อสิ่งภายนอก แต่ถ้าสิ่งภายนอกเป็นสิ่งเราทำให้โกรธเขาก็จะโกรธเขาก็จะงุนหงิดให้เราก็มีส่วนในการหล่อลลอมหรือว่ากล่อมกล้าอารมณ์เขาเพราะนั้นก็การที่เราชวนเขาสวดมนต์นั่งสมาธิหรือพูดดีๆเขาพูดด้วยนำสิ่งที่อ่อนโยนช่วยได้เราจะเอาความคลืดความวิตกกังวลไปใส่เขาหรือไปแสดงกับเขา เอาล้วนะอ่าเดี๋ยวอาตมาจะเมื่อกี้ก็พูดเรื่องในส่วนกายนะเรื่องการดูแลทางกายซึ่งอาตมาเห็นว่าเนี่ยสำหรับผู้ยริยตัยเนี่ยการดูแลแบบประคับปร ะ, ประคองเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีสุดนะและเวลาและเราสามารถจระแสงความกระตันยูกับคนที่เรารักด้วยวิธีนี้ไม่ยัเป็นนอกแสดงความกระตันยูด้วยการไปไปยื้อชีวิตเขานะ อันนี้การดูแลจิตใจก็สำคัญนะเพราะว่าจะตายดีหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตนะของผู้ป่วยหรือของตัวเราในวันที่ระยะท้ายมาถึงตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยนะมันก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วคือตายตายโดยที่มีสติไม่กระสับกระส่ายไม่โกรธนกรวายภาษา โบราณเขาเรียกไม่หลงตายนะไม่หลงตายนะนี่คือคือก่อนจะตายเนี่ยก็ไม่ไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายนะมีสติพอตายไปแล้วเนี่ยก็ไปดีนะมีสองช่วงที่สามารถจะบ่งบอกถึงการตายดีก่อนตายมีสติไม่หลงตายตายแล้วไปสุคตินี่ถามว่าอะไรที่ทำให้ตายไม่ดี อะไรที่เป็นอุปสรรคของการตายดีมันก็มีอารมณ์สี่ประเภทใหญ่ๆเลยนะหนึ่งความกลัวสองความโกรธสามความห่วงหาอะไรสี่ความรู้สึกผิดนะความกลัวที่มันชัดอยู่แล้วนะกลัวนะกลัวนะกลัวนระกกลัวตายกลัวตายคนเดียวนะความโกรธเนี่ย มันก็ทำหายหลายคนเนี่ยมีอาการทุรนทุรายก่อนตายมีเพียงคนหนึ่งนะเธอก็เป็นเบาหวานแล้วก็อาการก็ลามนะโรคแซกโรคซ้อนต่างๆหรืระยะท้ายยายก็สับกระส่ายมากนที่แรกเนี่ยหมอนึกว่าแายรอลูกสาว ลูกสาวกลจะมมองนอกมาแต่ก็ยังมีการกระสับกระส่ายไม่ยอมตายสักทีหมอก็เลยคุยกับลูกสาวคุยกับพยาบาลลูกสาวคิดว่าคงเป็นเพราะว่ายังแค้นยังแค้นพ่อเนะี่ยเพราะว่าพ่อเนี่ยก็ทิ้งแม่ไปไปมีเมียนไปมีเมียใหม่นะแล้วก็ทําให้แม่เนี่ยนะประสาทเสียเลยผ่านมายี่สิบปีแล้วก็ยังเนะี่ยก็ยังไม่ คลายความโกรธสุดท้ายก็เลยไปไปตามพ่อมาพ่อมาถึงเนี่ยมาขอขมาแล้วตอนเย็นขอขามาตอนเย็นวันรุ่งขึ้นแกก็ไปเนีเ่ยเช้ามือแกก็ไปมีอีกรายนึงคนละ้ายๆกันเลยนะเจอถูกผัวทิ้งแล้วก็โกรธผัวมากตอนอยู่ในระยะท้ายแกก็ ประกาศเลยนะถ้ามันไม่มาขอเข้ามากูกูจะไม่ให้ภัยมันเด็ดขาดนะแกก็ทุรนทุรายนะจนกระทั่งผัวเนี่ยมาถือขันเนี่ยขันอ่าเอ า, เอาขันอะไรห้าขันเนี่ยเอาผ่นห้าขันมามากาบที่หัวที่ที่ทปลายเตียงจึงคลายความโกดควายความพยาบาทแล้วก็ไปไม่เงิน เนี่ยหลายคนเนี่ยเขามีความโกรธนะทําให้เขาทุรนทุรายแล้วก็ตายยากไม่ยอมตายวางที่โกรธชะตากรรมนะโกรธสารพัดว่าทําไมชะตากรรมถึงตันแจ้งเราช่วยเราลําบากตลอดถึงเวลาจะลืมตาอาปากแล้วก็มาเป็นมะเร็งไอ้ความโกรธเนี่ยก็ทําให้ตายไม่ดีความห่วงหาอะไร นะห่วงอะไรนะถ้าเป็นแม่ก็กห่วงลูกผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งตอนท้ายๆแกก็พูดถึงแต่ลูกคนสุดท้องลูกชายอายุสิบขวบห่วงพ่อกลัวจ ะ, จะเจริญรอยตามพี่ชายสองคนซึ่งติดยาแล้วก็ติดคุกแกพูดถึงลูกเนี่ยทั้งตอนตายเนี่ยตายแกก็เปิดนะ เคบานพยาพยามปิดเปลืกตาก็ไม่สําเร็จนะวันวรุ่งขึ้นญาผูภุญามารับศพเห็นตาเปิดก็เดาได้ว่เาเกิดอะไรขึ้นจุดธูปแล้วก็บอกกับผู้ตายว่าลูกของเธอไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลลูกของเธอให้เสร็จแล้วก็ปิ ด, เ ป, ดเปิดตาปิดได้นะอย่างนี้เรียกว่าตายตาไม่หลับนะเพราะห่วงลูกนะ ความห่วงเนี่ยห่วงงานอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อเมื่อสักครู่นะโบสร้างไม่เสร็จไม่ยอมตายไม่ใช่วความห่วงความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดนะพูดไปแล้วนะที่อยากจะอยากจะเห็นหน้าลูกเนี่ยที่ไม่ได้เจอมาสามสิบปีมันตายไม่ได้จนกว่าจะได้เห็นหน้าลูกมันจะลุกชดเชยความรู้สึกผิดหัวหน้าพยาบาลคนนึงนะ จะเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ระยะท้ายแกก็เอาไวย่างต่างกันแย่หมดแล้วสัญญาชีพนี่ตกหมดเลยแต่แกไม่ยอมตายตายกระเปิดเปิดข้างนั้นน่ะจกนกระทั่งพยาบาลรุ่นน้องมาเยี่ยมพอแกเห็นแกก็รวบลงมกำลังแล้วก็พูดกับพยาบาลคนนั้นว่านะขอโทษนะที่เคยทําไม่ดีกับกับเธอเพราะเคยเข้าใจว่าเธอเป็นกิจกสามีตอนนี้เข้าใจแล้ว ปีบาลคนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูให้อภัยพี่หนูเข้าใจพี่หนูไม่ถือโทษกดเครื่องพี่เลยโอเคดิ้งแกก็สบายเหมือนยกผู้เขาจากอกแกก็หลับตาแล้วก็คืนนั้งแกก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่ได้ขอขอมานะแกคงจะตายแบบทรมานอันนี้เรียกว่าความสึกผิดความปวดเนี่ยความปวดนี่ก็เป็นเป็นตัวการสําคัญนะแต่ว่า มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหนาเท่ากับอารมณ์สี่ประเภทเนี่ยนะกลัวโกรธห่วงรู้สึกผิดนะปวดเนี่ยยาเอาอยู่หรือปวดยังไงเนี่ยถ้าใจสบายเนี่ยมันก็ยังยังไม่ทุกทรมานมากนะแล้วหลายกรณีความปวดเนี่ยมันเกิดจากความโกรธนะผู้หญิงคนหนึ่งใจเป็นมะเร็ง เต้านมแล้วก็ผ่านการใช้แสงฉีดคีโมมาแต่แกก็ยังือกว่าปวดปวดแต่หมอสังเกมตมเวลาแกเดินเหินเนี่เหมือนคนปกติเลยวันนึงพยาบาลเลยมานั่งคุยกับคนไข้แต่ส่วนใหญ่คนไข้เป็นฝ่ายคุยนะคุยวนเวียนอยู่กับเรื่องของสามีกับภรรยาสามีกับลูกน้อยใจโกรธเคืองที่เขาไม่มาอีนางขังขอบเธอเลยคุยถึงสองคนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะพยาบาลก็ดีนะ ไม่ขัดขวางไม่ไม่ไม่สั่งสอนอะไรแค่ฟังด้วยความตั้งใจพอแกพูดจบระบายเสร็จนะแกรู้สึกเลยความปวดมันหายไปเยอะเลยแสดงว่าความปวดก้อนใหญ่มันเกิดจากความโกรธนะแต่พอได้ระบายความโกรธบันเทาเนี่ยความปวดก็ลดลงเนี่ยที่ว่าปวดปวดปวดบางทีมันปวดเพราะใจเพราะมีความโกรธเพราะมีความรู้สึกผิดนั้นถ้าเราอยากจะตายดีต้องในระยะท้ายเนี่ย นะต้องทําให้อย่าให้ใจเนี่ยมันถูกครอบงําด้วยความกลัวความโกรธนะความห่วงความรู้สึกผิดมันทํำยังไงนะอันนี้เราก็ดูได้จากแบบอย่างของผู้ศเจ้าผู้เจ้าเนี่ยส่งไปนําทางคนใกล้ตายอยู่หลายกรณีและ ว, วิธีการส่วนใหญ่คล้ายๆกันก็คือน้อมใจเข้าให้เกิดศรัท ธ, ธาในพระตนาตายหรือน้อมใจให้นึกถึงสิ่งที่เขาศรัท ธ, ธา 2. น้อมใจเขาให้ให้รู้ถึงความดีที่ได้ทำศีลที่ได้บำเพ็ญสามให้ปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างลูกเมียผัวทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งสวรรค์ที่จะไปที่อยากไปเนี่ยก็ปล่อยให้หมดสามข้อเนี่ยจะมาสุดสั้นๆหรือสองนะจำให้ดีจำง่ายๆนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งนะนึกถึงพระละทุกสิ่ง เวลาเราอันนี้เวลาเราจะไปช่วยนำทางหรือไปช่วยทำให้คนป่วยระยะท้ายเขาจิตใจเขาไม่ทุกข์กังวลมากเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ชวนเขานึกถึงพระพระในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระนัตไตรยัยอาจจะหมายถึงพระอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเขานักถือศาสนาอิสลามหรือว่าคริสรวมทั้งนึนถึงความดีที่ได้ทำด้วยนึนถึงความดีที่ได้ทา ไอ้เวลานึกถึงพวกนี้เนะี่ยมันช่วยนะคุณยายคุณยายปวดท้องมากแต่ก็ครางพยาบาลนะพยาบาลนี้ชื่อเตื้อจิตแฉรำเนี่ยแกเก่งมากนะไปเยี่ยมคนไข้คนนี้แกก็ไปราวอ่ะปกติคนไข้พอเจอคนไข้พปกติพยาบาลเจอคนไข้ป่วยก็จะถามว่าปวดตีคะแนนศูนย์ถึงสิปวดตีคะแนนแบบพยาบาลนี่แกถาม แปลกแกถามว่ายายชุ้ยนี่ทำอะไรที่มีความสุขมากที่สุดยายตอบทันทีเลยหล่อพระเคยหล่อพระเมื่อสิ่กว่าปีก่อนนะยังยังประทับใจเลยพยาบาก็ถามวนะ่ายายจำได้ไหมยายใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรวันนั้นยายจําได้หมดเพียาบ า, าลเลยชวนคุยคุยเรื่องหล่อพระเนี้ยประมาณสิบยีสิบนาทีคุยเสร็จนะแกพูดขึ้นมาเลยหมอแกเรียกพียาบาหมอแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยไนะ หายปวดเพราะอะไรเพราะว่านึกถึงสิ่งที่ศรัท ธ, ธาใจก็เป็นกุศลพระเจา้าตรัสว่าศรัท ธ, ธาทําให้เกิดปราโมทคือเบิกบานใจปราโมททาให้เกิดปิติอิ่มเอิบใจปิติทําให้เกิดปัสสัตธทธิความผ่อนคลายกายและใจและทําให้เกิดสุขนะผู้งานศรัท ธ, ธาทําให้เกิดสุขนั้นถ้าเรานึกถึงสิ่งที่เศรัท ธ, ธาเราจะเกิดสุขนะนแล้วมันไม่ใช่แค่สุขทางกายนะไม่สุขทางใจนะสุขทางกายด้วย เพราะว่เขาเพบว่าคนเราเวลามีศรัทธามีสมาธิเนี่ยมันจะมีสารบางตัวหลั่งออกมาแล้วสารสือาา่อประสาทนี่ชื่อชื่อสารพัดนะโดพามีนเซโรโทนินนะเอนโดฟินเอนโดฟินก็มอร์ฟีนข้างในในร่างกายมันจะไปช่วยบล็อกสัญญาณความเจ็บปวดไม่ให้ถึงสมองถ้าถึงสมองเสมอแหละเราจเรา จ, เราจะรู้สึกปวดแต่ถ้ามันถูกบล็อกกลางทางเราจะไม่รู้สึกปวดทั้งการที่สื่อสศรัทธาเนี่ยนะมันช่วย เรานึกถึงความดีที่เราได้ทําวันทีเราชวนคนไข้คุยถึงความดีที่เขาภาคภูมิใจนะก็ทําให้เขารู้สึกดีชวนคุยทั้งในเรเราก็อยู่แล้วว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรแต่ว่าเราชวนคุยเพื่อให้เขาเระลึกนึกถึงนะความดีที่เขาได้ทําอย่างมีคนไข้คนนึงเนี่ยที่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ ก็หกสิบเจดสิบแล้วแกเป็นมะเร็งก็ปวดมากเพื่อนบ้านมาเยี่ยมแล้วเพื่อนบ้านก็นัดร้องเพลงฆ่าน้ำนมเพเธอปลื้มมากเลยนะคนไข้เพราะว่าเมื่อห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วเธอเป็นคนเอาเพลงเนี่ยไปเผยแพร่ที่จังหวัดที่ตําบลของเธอเนี่ยแถวนาศารแถวบ้านซ่อง เ, เวียงสะคนในตําบล น, นั่นรู้จักเพลงนี้เพราะเธอการที่เพื่อนบ้านมาร้องเพลงนี่แสดงว่าเขายัางจําความดีของเธอได้เธอก็เลยปลื้ม พอเพิ่มเนี่ความปวดมันก็ทุเลามันช่วยทำให้ตายสงบได้ได้ง่ายขึ้นฉะนั้นความดีอ่ะของของเขาอ่ะนะของพ่อของเราของแม่ของเราคืออะไระนะนะเลี้ยงลูกมาด้วยความเสียสละด้วยความรักนะสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับครอบครัวนะเราชวนเข้ามาคุยชวนเขาพูดชวนคุยเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้เขาสึกสบายใจทำให้ความปวดทุเลาลง อันนี้เรานึกถึงพระระทุกสิ่งนั่นนะก็คือชวนให้เขาเนี่ยปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องงานแต่เราจะบอกให้ให้เขาปล่อยวางก็ไม่ได้นะเราต้องพูดทําให้เขาเราต้องพูดเพื่อช่วยเขาปล่อยวางเชน่นสามีอาจจะบอกภรรยาที่ป่วยหนักว่าจะดูแลลูกให้อ่จะดูแลลูกอย่างดีอพอรับปากเนี่ยบางที มันก็ช่วยทำให้ภรรยาซึ่งป่วยเนี่ยนะเขาสบายใจเขาไปสงบได้แต่บางทีเขาพูดไม่ได้นะมีคนไข้คนหนึ่งนะผู้ชายนะแกก็รักษาลั ก, ลกยภรรยามากแฟม i l y m a มแล้วก็ป่วยป่วยจนกระทั่งเนี่ยระยะท้ายแกก็ตาเปิดค้างก า, การตาเปิดค้างแสดงว่ามันยังมีความกังวลอยู่ในใจ ภรรยาก็พยายามพูดนะให้เขาปล่อยวางไม่สำเร็จปรึกษาลูกโทรศัพท์ไปพุยกับลูกลูกรู้ว่าเป็นพ่ออะไรลูกบอกว่าขอคุยกับพ่อหนะ่อยแล้วก็บอกพ่อว่าเนี่ยถ้าพ่อเป็นอะไรนะหนูจะรับแม่ไปดูแลนะแต่ตอนนี้หนูไม่เยี่ยมพ่อไม่ได้เพราะว่าหนูไม่สบาย เธอเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่พอพูดอย่างนี้นะพ่อเนี่ยอาการดีขึ้นเลยพ่ออะไรเพราะว่าห่วงเมียห่วงว่าถ้าตัวเองตายเนี่ยเมียจะไปอยู่กับใครลูกก็เป็นครอบครัวใหม่ลนะแต่พอลูกบอกว่าเนี่ยจะรับแม่ไปดูแลนะพ่อสบายใจนะหลับตาได้แล้วก็วันสองวันก็ไปบางทีเราต้องเดานะคนไข้เนี่ย เราก็พูดไม่ได้เนี่ยเขามีอาการบางอย่างเราก็ต้องเดา ว, ว่าเขาเป็นพ่ออะไรอาการที่เราพอจะเดาได้เขามีความห่วงเช่นตาเปิดกระสับกระส่ายน้ําตาไหลนะอันเงี้ยอันนี้ให้เดา ว, ว่าเขามีความทุกข์ทางใจที่เราต้องช่วยกันปลดเครื้องความห่วงความรู้สึกผิดนะความรู้สึกผิดเนี่ยบางทีสัญญาไปแล้วเราไม่ได้ทํา เนี่ยหลานของเนี่ยน้องเนี่ยอายุ25จบพิศวกรรมปริญญาโทจบได้ไม่กี่เดือนขับรถลื่นทถลไยไปชนต้นไป้ทีแรกก็ออกมาดูสภาพรถแต่ไม่กี่ชั่วไม่กี่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงฟุบสมองกระเทือนไปศิริล่าเนี่ยสมองตาย เวลาแม่ไปเยี่ยมเนี่ยแกจะน้ำตาไหลเฉพาะแม่ก็แปลกใจ mm hmm. ก็เลยปรึกษาแล้วเนี่ยน้องกับพี่สาวเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของเด็กคนเนี้ยเพยาบาลมาเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่เขาบอกว่าเนี่ยลูกชายเคยรับปากกับแม่ว่าเมื่อเรียนจบจะส่งเสียน้องนี่เรียนจบไม่ทันไลยไม่ทันส่งเสียเลยเนีย่ยเป็นไปแล้วก็เลยบอกแม่ของคนไข้เลยบอกให้ไปบอกคนไข้นะว่า แม่จะส่งเสียน้องเองนะรู้ไม่ต้องห่วงแม่ก็ไปทาตามนะคนไข้เนี่ยหยุดร้องไห้เลยนะล้วก็วัดลุ่ขึ้นเขาไปให้เขาเขารู้สึกผิดรู้สึกผิดเขาตายไม่ได้เนี่ยนะกลัวก็ดีกลัวก็ดีกลวก็ดีดห่วงก็ดีรู้สึกผิดก็ดีมนันทำให้ตายไม่ได้นะแต่พอซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้เขาเขามีปมอะไรแต่ถ้าเราพูดถูกก็ทำให้เขาปล่อยวางได้ นะเขาก็ไปวางนะเขาก็ไปสงบแต่ถ้าดีเนี่ยเราควรจะเคลียร์กับเขาตอนที่เขายังสื่อสารกับเราได้นะคราวนี้บางทีคนไข้เนี่ยเขาพร้อมจะไปนะแต่คนที่ไม่ไม่พร้อมคืออะไรผู้ดูแลญาติคนใกล้ชิดอา ต, ตามพรมมองสวนท่านเล่านะท่านถ้ า, าเป็นพระอังกฤษแต่ไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียลูกศิษย์ท่านชื่อสตี สติป่วยเป็นมะเร็งอยู่เป็นปีนะจนกระทั่งระยะท้ายแต่พอถึงระยะท้ายแกไม่ยอมตายคือคือคืออาการทางกายมันแย่หมดแล้วแต่มันไม่ยอมตายวันหนึ่งท่านก็เลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมสติแต่พอไปถึงเนี่ยคนแรกที่ท่านคุยด้วยคือภรรยาถามว่าอนุญาตให้สติไปหรือยังภรรยาอึ้งเลยนึกขึ้นมาได้ ปีนขึ้นเตียงแล้วก็ไปกอดสติปสติปฉันอนุญาตเธอไปได้แล้วนะอุสติปร้องไห้เลยนะแล้วก็ครลำทรวงแล้วก็กอดกันสองวันสติปก็ไปสติปไม่ยอมไปเพราะอะไร ไ, ไฟเมียยังไม่ให้ไฟเขียวะถ้าท่านเก่งนะท่ า, จานจำพงศลลุ้เลยนะคนถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมไปเพราะคนรักยังไม่ยอมอยังไม่ปล่อยเขาเขาพร้อมอยู่แล้ว คุณยายคนหนึ่งเจ็ดสิบนะป่วยที่โรงพยาบาลแล้วก็เส็นหล้วหัวใจหยุดเต้นปั้มขึ้นมาแก่เป็นผักกระสลนะไม่ตอบสนองอะไรเลยแต่แกเป็นคนที่มีน้ำใจนะเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยอะเลยนะทุกคนก็พูดนะหายไปไวาน่นะจะได้ไปเที่ยวไปเล่นกันแต่คุณยายก็ไม่ตอบสนองผ่านไปเป็นเดือนนะวันนึงลูกชายเนี่ยซึ่งดูแลแม่มาตลอดพลิกตัวแม่เห็นน้ําตาไหลถามแม่ว่าแม่ แม่เหนื่อยแม่ไมรมานแม่ถาแน่เหนื่อยแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมนะเสร็จแล้วก็ชวนแม่นั่งสมาธิอสวมดมนต์นั่งสมาธิซึ่งทำเป็นประจำทุกวันแต่คราวนี้พอทำไปได้ห้านาทีสันตันชงของแม่ก็แบนลาบเลยไปแล้วไปพราะอะไะเพราะว่าลูกให้ไฟเขียวแล้วนะบางไรายไม่ยอมไปนะมีหมอนหนึ่งทำงานที่อเมริกามาเป็นสิบปี อนถึงได้ขาแม่ป่วยหนักโอรีบจัดรีบสาสางงานการต่างๆหาซื้อตั๋วเครื่องบินพอมาถึงเมืองไทยอยู่ดูแลแม่ได้สองวันแม่ก็ไปหัวใจหยุดเต้นแกข้ามควรนะแกทําใจไม่ได้แกเขย่าตัวแม่แม่อย่าเพิ่งไปแม่กลับมาแม่กลับมากลับมาหาหนูเนี่ยหนูเพิ่งบินกลับมาแม่ทําไมถึงรีบไประหว่างที่ข้ามควรก็มีก็มีชุกใกล้ๆก็มีการปั๊มด้วยนะ ปัามสาเร็จนะพอแม่กับลูกอยู่กันสองต่อสองแม่ก็บอกว่าเนี่ยตอนที่หัวใจหยุดเต้นนะมันมันรู้สึกมืดไปหมดเลยนะเสร็จ <c oughs> แล้วมันมองเห็นโแหงสว่างสว่างอยู่ปลยอยู่ใกลใค้ๆปลายอุโมงใจเนี่ยมันก็ค่อยเคลื่อนไปตรงนั้นอนะ่ะมันสงบมากเลยนะดี ด, ด, ดีได้เสียงเรียกก็เลยกลับมานะลูกเลยบอกว่าหนูไงแม่หนูเรียก แ, แม่กลับมา มันต่อมาแม่ก็พูดกับลูกนะถ้าแม่ไปอีกนะไม่ต้องเรียกแม่กลับมาแล้วนะมันสบายนะแต่แม่กลับมาเพราะอะไรเพราะว่าด้ินเสียงลูกเรียบนะความรักของแม่มันก็กลับมาที่มันจะคนไข้เขาพร้อมจะไปแล้วทนะี่ไม่อยากไปเนี่ยคือลูกอากงคนหนึงนะ่งยุคเก้าสิบหกนะหงอมเต็มทีนะอยู่โรงพยาบาล สัญญาณช้พไม่ค่อยดาวลงไปเรื่อยๆนะตกลงไปเรื่อยๆ <_ d ata> หลานคนหนึ่งไม่เยี่ยมนะไปที่เตียงอากองอยู่ให้ครบร้อยนะอา <d ata> กงนี่มีอาการพึดบัดสู้กับเครื่องเลยนะ <_ d ata> อย่างนี้ดีป่ะทรมานนะสู้เครื่องอ่ะจะไปอยู่แล้วไปเรียกเขาให้สู้นะ บางทีเราไปบอกว่าส you <mind> yeah. ู้ส so, ู <inaccurate> ้รู้สู้คนไข้พอจะไปนี่เขาพื้นสู้กันมานี่เขาทรมานนะให้เขาไปเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญนึกถึงพระละทุกสิ่งนะตัวเราเองก็ละแล้วเราก็ช่วยให้หมาถึงตัวผู้ป่วยก็ละหรือไม่ก็คนดูแลก็ก็บอกให้เขาละพูดให้รู้จักพูดที่ทําให้เขาปล่อยวางนะ แ้วมันมีอั น, นึงที่อยากจะเสริมนะคืออันนี้เติมเข้าไปเวลาคนเขาคนคนรักของเราใกล้จะตายเนี่ยเราก็บอกบอกความในใจแล้วกล่าวคําอําลาเมื่อคนไข้เขาใกล้จะตายแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าหมอบอกได้เลยเนี่ยอีกชั่วอีกยี่สิี่ชั่วโมงอีกสองวันเนี่ยคงไม่รอดเพราะว่าแอร์ฮังเกอร์นะแล้วก็อาการไม่ตอบสนองแล้วอ่ะเราก็น้อมใจเขาอีกครั้งหนึ่งให้นึกถึงพระและทุกสิ่ง อาจจะชวนเขาขอเข้ามาซึ่งกันและกันบอกเขาให้เขาขอเข้ามาว่าตามเราหรือชวนเขารับไปสรานาคมถือศีหน้าแต่ที่สำคัญนี่คือบอกความในใจเช่นรูปบอกรักพ่อนอกจากขอบคุณพ่อแล้วบอกรักพ่อบอกรักแม่นะแต่บางทีหลายคนไม่กล้านะอันตราเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึงเสื้อันตรายไม่รู้จักหรอก คุณยายอายุเจ็ดสิบลูกสาวอายุห้าสิบอาตมาก็แนะนําเนี่ยพูดถึงความดีของแม่สิพูดถึงความประทับใจที่เรารู้สึกต่อแม่แล้วก็พูดว่าเรารักแม่แต่ไม่ยอมพูดเหมือนเหมือนกับว่ามันมันขัดเถะนะินอ่ะแต่ว่าในยามนั้นเนี่ยโหถ้าบอกนะแม้เพียงแค่คําเดียว น, นะว่ารักแม่รักพ่อเนี่ยโหมันมันมีความหมายกับคนใกล้ตายมากนะรวมทั้ง บอกรักสามีด้วยผู้ชาหนึ่งเป็นมะเร็งนะสามตัวสุดท้ายกก็ถามภรรยาเนี่ยแม่แม่รักพ่อไหมแม่รักพ่อไหมภรรยานี่เป็นแม่ค้าตัวสูงสูงเขาห้าอ้วนอ้วนนะแกไม่ยอมตอบายเบี่ยงสาวาสุดท้ายคนแค่ก็ถามแม่แม่รักพ่อไหมตอนนี้ ภรรยารำคาญขึ้นเสียงเลยจะบ้าหรือไงไม่รักกันจะอยู่ได้ไงต้องยี่สิบห้าปีแต่ว่าอะไรเพราะฉันก็รักเธอแต่พูดไม่ได้เพราะกูกมูมึงตลอดนะจะบอกฉันรักเธอก็กระดักปากจะบอกกูรักมึงก็ใช่ที่แต่เสร็จแล้วนะพอภราสามีตายก็มาเสียใจร้องห่มร้องไห้ทำไมแค่นี้พูดไม่ได้มันคือสามคเนี่ยนะมันต้องกล้าพูดทับ เพราะถ้าไม่พูดเนี่ยมันไม่มีโอกาสแล้วจำ ต, ต้องใช้ความกล้ายิงนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะขัดเขินแม้แต่พูดกับแม่ยังไม่กล้าเลยพูดกับพ่อยังไม่กล้าเอานี้มีคุณป้าคนหนึ่งแกก็นั่งเสริมอยู่ข้างสา ม, มีซึ่งป่วยแล้วก็โคม่าแล้วโรงพยาบาลถามเป็นอะไรคุณป้าวัยเจ็ดสิบแล้วนะเขาบอกที่เขาป่วยเนี่ยนะฉันพอทําใจได้นะแต่ฉันฉันเสียใจคือว่า อยู่กันมาสาสิบปีไม่เคยบอกรักเขาเลยตอนนี้เพิ่งคิดได้แต่มันสายไปแล้วพยาบานบอกยังไม่สายเนะี่ยเขาเขาฟังได้นะเขารับรู้ได้นะมีอะไรอยากจะบอกบอกเขาซะพออยู่กันสองต่อสองเนี่ยคุณป้าแกก็พูดกับสามีบอกว่าเนี่ยนี่ฉันอยากจะบอกเธอนะว่าเนี่ยว่าฉันขอบคุณเธอฉันโชคดีมากเลยที่ได้อยู่กับเธอตลอดเวลาที่อยู่กับเธอมันฉันมีความสุขมาก มีอย่างนึงที่อยากจะบอกเธอฉันฉันรักเธอแล้วคงอยู่ได้ยากถ้าไม่มีเธอแต่ถ้าเธอจะไปก็ไปเถอนะไม่ต้องห่วงฉันเชื่อไหมพอพูดจบนะคนไข้จะหายใจยาวเลยนะถ้าไปเลยเหมือนเขารอคล้ายกับที่สตีฟรอไฟเขียวจาก <laughs> จากภรรยาบางคนรอนะรอลูกกลับจากอเมริการอลูกรับปริญญาคุณยายคนหนึ่งแกรอหลานเนี่ย ติดยศนายฐานนัการหลานเนี่ยก็สอบได้เรียบร้อยแล้วแต่เพอ่มันช่วงปฏิวัติปนะีห้าเจ็ดะปฏิวัติติดยศมันก็เลยต้องเลื่อนยายรอจนทั่งยายเนี่ยหมดสภาพแล้วแกก็นิ่งไปเลยนะไม่ตอบสนองแม้เลยนะจกนกระทั่งลูกหลานเนี่ยพอติดยศเสร็จรีบมาที่โรงพยาบาลเลยนะมาบอกยายยายผมติดยศแล้วยายตื่นขึ้นมาโอ้โหลูกผัวลูก ห, หลังหลาน มีความสูงมากคุยมันก็คุยมันก็คนปกตินะแล้วสองวันนัแ้แกก็ไปนะเขารอนะแล้วเนี่ยแล้วบครัง้งบางทีเขารอเขารอคําบอกรักเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันสําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตะมาคิดว่าเอ่าในยานที่คนไข้เขาอยู่ในระยะท้ายเนี่ยเนียมีอะไรที่อยากจะบอกรีบบอกซะของพวกนี้มันรอมไม่ได้ ทั้งหมดเนี่ยคือเนี่ยนี่คือวิธีการดูแลปิดใจแบบย่อยๆนะนึกถึงพระละทุกสิ่งนะและวิธีนีนะ้ใช้ได้กับคนไข้ที่เป็นผักคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เป็นผักจะไปเชื่อเขาไม่รับรู้นะเขาได้ยินนะนะเขาได้ยินอาจารย์อามารเนี่ยถึงเพิ่งจเป็นเจ้าคุณนะวัดอามาราดีเจ้าคุณชั้นรานนะ ถ้าเป็นฝรั่งนะยายท่านอะายุร้อยกว่าปีเป็นผังมาสี่ปีวันนึงเนี่ยหมอบอกว่ายายอาการหนักนะต้องผ่านะปรึกษากันระหว่างลูกก็คือแม่ของอาจารย์อมรโรกับน้าคุยกันตกลงว่าไม่ผ่าเพราะอายุร้อยกว่าเนี่ยผ่าไปทำไมพอตกลงกันว่าไม่ผ่านะคุณยายก็พูดกันมาเลยว่า thank you สี่ <laughs> ปีเนี่ยพูดมาคำเดียว thank you แล้วก็สองวันนั่นแกก็ไปแสดงว่าเราแกได้ยินใช่รู้เรื่องตลอดแต่ไม่พูดหรือพูดไม่ได้หรือพ่ออะไรก็แล้วแต่นะดีย๋ยว่าแต่เป็นผักโค ม, ม่าเลยนะตายไปแล้วเนี่ยอาตมาช่วยยังยังรับรู้ได้นะยังรับรู้ได้ไอ้ที่ตายเนี่ยมันเป็นการหัวใจวายเป็นการตายทางร่างกายแต่จิตยังไม่ดับ ภาษาชาวบ้านติ่แมวจากล่างเพราะ้นยังรับรู้ได้อัตมาเคยไปเยี่ยมแม่เพื่อนนะไปถึงอสิ้นลมไปแล้วหมอบอกว่าลูกบอกว่าเนี่ยพิ่งสิ้นลมไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอัตมาก็ยังช่วคนไข้ที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ยังรับรู้ได้ก็เลยพูดกับเขาสองอย่างนี้แหละให้นึกถึงพระรักทุกสิ่งนะและ้วก็ ลูกสาวเขาก็เตรียมถวายสังกทานเรามาก็รับสังกทานจากจากมือแม่เขาแล้วก็กวดน้าให้พรแล้วก็รีบไปนะมาอบรมปอบรมอีกที่หนึ่งตอนเช้าลูกสาวเขามาเล่าว่าตอนที่อาตมาเนี่ยพูดกับแม่เขาเนี่ยสัญญาณหัวใจเนี่ยมันเต้นนะะแล้วถ้าคนไข้ที่ตายไปกระทันหันนะวันที่เขาไม่รู้เขาตายที่ซ้ํำนะวันที่เขาไม่รู้นะนี่เราต้องบอกเขาว่าเขาตายไปแล้วนะ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะนุ่งขาวห่มขาวจะไปทําบุญวัดข้างบ้านนะ่ะเดินข้ามถนนเนี่ยโดยรถชนตายกาที่เลยแต่ว่าคนในวัดเนี่ยเห็นเธอเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมาที่วัดแล้วเขาไม่รู้ว่ตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งมีการชนกันที่หน้าวัดถ้าจริงที่เขเห็นจริงนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยคนตายยังไม่รู้ว่าตัวเองตาย อยากจะมาทำบุญใช่ไก็เลยเจตนามันยังแรงก็เลยมาทำบุญต่อทั้งที่ล่างเนี่ยขาที่ไปละแล้วเราเจอคนแค่านี้เราก็ต้องบอกเขาว่าเขาตายไปแล้วนะให้เขาให้เขาปล่อยวางแล้วก็เนี่ยนึกถึงพระแล้วก็ลบทุกสิ่งอันนี้ก็ย่อยๆนะอันนี้ก็ดูแลกายนะก็พูดไปแล้วดูแลจิตใจนะก็ สำคัญเหมือนกันตอนนี้เมื่อถึงเวลาดูแลเรียบร้อยก็ต้องถึงเวลาที่เราต้องตายแล้วอันนี้เราจะซ้อมตายกันแล้วซ้อมตายนี่เราต้องนอนนะ ก็ค่อยลืมตาขึ้นขยับนิ้วขยับเท้าแล้วก็กระแทงตวัวก็ค่อยยันตายลกขึ้นมาช้าๆอยากจะถามว่าเมื่อสักครู่นี่ใครที่คิดว่าพร้อมตายบ้างยกมือพร้อมตายใครที่เคี้ยวยังไม่พร้อมบ้าง ม, มีมีหลายคนไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนั่นอ่ะอยากฟังหน่ยนะคนที่คิดว่าพร้อมตายนี่อะไรทําให้เราคิดว่าเราพร้อมอะไรทำให้เราคิดว่าเราพร้อมตายเมื่อสักครู่เนี่ยหนูภาวนานะหนูภาวนานะในสีที่หนูภาวนานะเป็นประจำค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูก็ไม่มีอะไรจะเสียใจยแล้วทาดีที่สุดแล้ว ที่ผิดพลาดมันก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วค่ะย้อนกลับไปไม่คิดจะแก้ไขอะไรแล้วอืมอคนอื่นละ่ะทำไมคิดว่าพร้อมตายมีไหมมีใครที่อยากจะแบ่งปันบ้างข้างหลังเ่ะอะข้างหลังข้างหลัง ก็รู้สึกไม่มีอะไรกังวลนะครับเพราะว่ามันก็สงบมันก็นิ่งมันก็เหมือนกับจิตมันจะนิ่งๆแล้วก็คือพยายามคิดตามนะครับว่ามีอะไรกังวลไหมพอสํารวจดูข้อรู้สึกไม่มีนะครับแล้วมันก็รู้สึกสงบไม่ได้กังวลอะไรเลยคิดว่าถ้าตอนนี้จะตายจริงๆ ก็<อ>ไปลยได้เลยครับมีสักคนไนหะรู้สึกคล้ายๆกันนะคะว่าคือตอนนี้เราไม่ได้มีห่วงอะไรแล้วก็เราก็สะสมบุญมาในระดับหนึ่งคือไม่ได้มีห่วงไม่มีไม่มีความกังวลก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปตอนนี้ถ้าไม่ได้เจ็บปวดได้แต่ถ้าเจ็บปวดเนี่ยอาจจะต้องเป็นกรณีที่ว่าเรายังฝึกปฏิบัติมาไม่พอแต่ถ้ากำลังสบายๆยอย่างนี้ก็คือว่าเราก็น่าจะ พร้อมไปโดยไม่ห่วงอะไรอ่ะอืะอ่าคนที่เขี้ยวไม่พร้อมพอจะแบ่งได้เราได้มากทำไมถึงไม่พร้อมคือตอนแรกกนึกว่าตัวเองพร้อมค่ะท่านแต่พอเมื่อกี้พิจารณาตามไปเรื่อยเรื่อยยังรู้สึกว่าติดค้างคือชีวิตยังมีแม่แล้วก็ยังมีลูกที่เป็นห่วงอยู่ก็เลยรู้สึกว่ายัางตัดสองห่วงเนี้ยไม่หลุด ตอนแรกคิดว่าตัวเองอ่ะสบายละไม่ห่วงอะไรแต่พอพิจนารณาเข้าไปลึกๆเนี่ยมันยังมีสองห่วงที่ทำให้เราห่วงอยู่แต่ว่าพอถึงเวลาที่ถ้าเจ็บป่วยค่ะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดณตอนนี้ถ้าหลวงพี่ถามว่าพร้อมไหมคือยังไม่พร้อมค่ะมีไหม ใ, ใกล้ๆที่อยากจะแบ่งปันคือพอดีมาเป็นหลับ หลับอะค่ะก็แล้วก็ขอก็เลยรู้สึกว่ามันคือไอ้เราคือถามว่ามีห่วงก็คือห่วงตัวเองมากกว่าค่ะพอรู้สึกเสียดายชีวิตเราว่าถ้าเกิดเราตายตอนเนี้ยเรายังไม่ได้อะไรสักขั้นเลยเราต้องกลับไปเกิดมาใหม่มันก็ไม่เวิร์กอะค่ะก็เลยคิดว่ายังไม่พร้อมเลยอยากเลยอยากจะให้เราเข้าใจธรรมะมากกว่านี้อะค่ะแล้วเมื่อกี้ดันหลับด้วย อีสักคนหนึ่งไหมที่ไม่พร้อมไม่พร้อมยัง ไ, ไม่พร้อมค่ะคิดว่าเออถ้าลูกรู้ว่าแม่ตายนี่กว่าจะกลับมาหาเราคงร้องไห้น่ดูเลย <c oughs> ยิ่งลูกคนเล็กเวลาแม่ไปต่างจังหวัดหรือไปอะไร <c oughs> เขาบอกไปเปิดตู้เสื้อผ้าแม่เอาหน้าเข้าไปในเสื้อผ้าที่ถึงแม่ก็ยังรู้สึกว่าถ้าตายตอนนี้ยังไม่ได้ค <c oughs> ่ะ อืมเนี่ยขอบคุณนะคือไม่ว่าเราคิดว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยก็มีประโยชน์นะคนที่คิดว่ายังไม่พร้อมอ่าก็จะได้รู้ว่าอะไรที่ยังไม่พร้อมอะไรที่ทำให้เราไม่พร้อมก็จะได้กลับไปทำให้พร้อมมากขึ้นส่วนคนที่เชื่อพร้อมนะอันนี้ก็ก็ดีแล้วนะแสงว่าก็ได้ เตรียมตัวมาระดับหนึ่งแต่ก็อย่าเพิ่งแน่ใจเพราะว่าตอนนี้พร้อมก็จริงแต่ว่าพรุ่งนี้มันลื้ น, นจะไม่พร้อมก็ได้นะเพราะว่าเกิดได้งานชิ้นใหม่มาที่ต้องดูแลหรือว่ามีน้องหมาตัวใหม่นะที่น่าสงสารนะหมากำพร้าเราก็ต้องดูแลเขาก็กลายเป็นภาระขึ้นมาถึงวันนั้นก็จะไม่พร้อมก็ได้นะ กิจกรรมที่เราทำเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะที่เรียกว่ามรณสตินะมรณสติหรือว่าเป็นการซ้อมตายไอ้การซ้อมตายเนี่ยอย่างที่เราเพิ่งผ่านเมื่อสักครู่เนี่ยกับการตายจริงเนี่ยมันห่างกันเยอะนะตายจริงเราก็คงไม่ได้ตายในที่สบายสบายแบบนี้แล้วก็จะมีความเจ็บความปวดยังไม่ต้องพูดถึงว่า ความรู้สึกทุกใจที่อยากจะเกิดขึ้นแต่ถึงแม้มันจะแตกต่างกันนะระหว่างการซ้อมกับความจริงเนี่ยแต่การซ้อมก็มีประโยชน์นะเหมือนกับเทตมาเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าเหมือนเราไปพูดจะต้องไปพูดต่อนหน้าคนเป็นหมื่นนะเราไม่เคยพูดต่อนหน้าคนมากมายขนาดนั้นมาก่อนเนี่ย เราทำางถึงจะมีความพร้อมได้เราก็ต้องไปซ้อมอาจจะซ้อมด้วยการพูดหน้ากระจกนะแล้วก็ซ้อมพูดต่อหน้าคนยี่สิบคนไอการพูดการซ้อมอย่างนั้นเนี่ยนะมันจะทำให้เรามีความมั่นใจมีความประหม่าน้อยลงถึงเวลาเราขึ้นเวทีแม้ว่าเร า, า จ, จะ พูดติดติดขัดขันในบางช่วงแต่และเราก็จะนึกออกว่าควรจะพูดอะไรต่อเพราะเราจำบทได้แม่นนะมันก็ทำให้การพูดของเราเนี่ยนะเป็นไปได้ด้วยดีพวกเราก็ทราบใช่ไหมพวกฝรั่งเนี่ยที่เขาไปช่วยทีหมูป่าเนี่ยสิบสามคนออกมาเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าไปช่วยในถ้ำเนี่ยเขาซ้อมมาก่อนเขาซ้อมที่ไหนรู้ไหม สาว่ายน้ําสาว่ายน้ํากับถ้าหลวงโอบปัญหางกันเหมือนกับฝ้ากระเหวใช่ไหมน้ําก็ใสปลอดภัยนะแต่พกเซ้อมตรงนั้นเนี่ยซ้อมทุกอย่างเหมือนจริงเลยนะวิธีการอุ้มจะอุ้มเด็กยังไงเด็กต้องเอาเด็กขนาดตัวจริงๆมาจะใส่หน้ากากยังไงจะมีคิวรับสงท่อกันยังไงเพราะเซอมเนี่ยที่สนาม ว่ายน้ำเนี่ยนะมันทําให้เขาเนี่ยสามารถจะช่วยทุกคนมาได้อย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทะน้งที่สาวายน้ํากับน้ําในถ้ำหลวงหรือว่าภายในท้านั้นโอ้มันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูแคลนนะถึงแม้ว่าเราซ้อมตายแบบเนี้ยมันจะห่างไกลาจากความตายจริงๆในวันข้างหน้าเนี่ยแต่มันจะช่วยได้เยอะนะคารนี้เนี่ยที่ ท, ที่ที่เราทําเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการ ประโยชน่อีอย่างหนึ่งนะก็คือการที่มาเช็คว่าเรามีอะไรที่ติดขัดบ้างนะมันเป็นการแค่ว่ามาเช็กกับตัวเองอ่ะมาตรวจสอบตัวเองว่าเรามีติดขัดเรื่องอะไรบ้างติดขัดเรื่องลูกไหมเรื่องพ่อแม่ไหมเรื่องงานการไหมเรื่องทรัพย์สินไหมนะบางคนก็ผ่านตลอดแต่บางคนก็ติดในบางประเด็นอันนี้ก็จะได้รู้ไว้บางคนติดตรงที่ว่าอยังไม่ได้ดูให้เวลากับพ่อแม่เลย แล้วก็หรือว่ามีเรื่องที่เคยทําผิดกับใครบางคนเช่นบุปการีนะแต่ว่ายังไม่ได้ขอโทษมันก็ทําให้เราเนี่ยนะตระหนักว่าเออจากนี้ไปหรือพรุ่งนี้เราจะต้องรีบทำํำนะดูแลพ่อแม่หรือว่ารีบไปขอโทษบางคนติดเรื่องซับไม่ได้ไม่ได้ห่วงซัพย์แต่ว่าห่วงว่าซั์สมบัติของเราถ้าไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้ทำพินัยกรรมเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหานะ มันก็ทําให้เราเร่งรีบนะพรุ่งนี้อ่ะเราจะได้รีบทำพิณายกรรมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทุกคนกลัวสําคัญแต่ว่าชอบผัดผ่อนนะให้การให้เวลากับพ่อแม่นะหรือว่าการทําพิณายกรรมหรือว่าการไปขอขอโทษใครบางคนเป็นสิ่งดีเรารู้และสิ่งที่ควรทําแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเพราะเราผัดผ่อนการเจ ร, เริญมรณสติมันทําให้เรา เห็นความจำเป็นที่จะเร่งรีบทำประยโยชน์ส่วนนี้แต่มาเรียกว่าขนขวายในสิ่งที่ชอบผัดผ่อนค่าวเดียวกันเนี่ยของบางอย่างเนี่ยเรารู้ว่าเรายึดติดนะเราอยู่ไม่พร้อมและว่าแลวแม้จะยึดติดยังไงแม้จะทำยังไงเนี่ยมันก็ยัง ก็ไม่คิดว่าจะทำได้พอเพียงสักทีเช่นการปอดแทนมือคุณพ่อแม่เนี่ยการดูแลสั่งสอนลูกเนี่ยทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะแต่วา่าถ้าถึงเวลาเชื่อต้องตายมันต้องพร้อมปล่อยวางแต่หลายคนไม่พร้อมตายเพื่อปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นการบ้านให้กลับไปคิดว่าเออเราต้องปล่อยวางให้มากขึ้นต้องฝึกใจปล่อยวางให้มากขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นการบ้านนะมรณาสติมันทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเรามีการบ้านมีโจทย์อะไรที่ต้องไปทําและโจทย์ข้อหนึงคือการปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดและสิ่งที่เรายึดติดมันไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่ให้ความรักให้ความสุขกับเรานะเราไม่ได้ยึดติดเฉพาะลูกไม่เฉพาะทรัพย์สมบัติหรือพ่อแม่สิ่งหนึ่งที่เรายึดติดก็คือสิ่งที่ทําความโกรธให้กับทําความทุกข์กับเราสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราชเช่นความโกรธ ความรู้สึกผิดไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เป็นอุปสรรคนั้นในการที่ทำให้เราตายสงบไม่ได้เราก็ต้องถ้าเรารู้ว่านี่คือปัญหาหนึ่งของเรานะวันนี้พรุ่งนี้ต้องรีบทำคือรีบฝึกปล่อยวางความกลัวความรู้สึกผิดความโกรธปล่อยวางด้วยการให้อภัยความรู้สึกผิดปล่อยวางได้โดยการไปขอโทษเา้านะหรือทำสิ่งที่ผิดให้มันถูก สองอย่างเนี่ยเป็นประโยชน์สาคัญของการเจริญมรนสติขนความในสิ่งที่ชอบผัดผ่อนนะปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดนะถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้นะเราจะมีความพร้อมตายมากขึ้นนะแต่สองอย่างก็สัมพันธ์กันนะอะไรที่เราขนขวายนะเมื่อเราขนขวายมากมากเราทำความเพียนเยอะๆเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายถ้าเราทำงานเต็มที่เราก็ปล่อยวางได้ง่ายเมื่องานมันล้มเหลว หรือว่าถ้าเราดูแลลูกเต็มที่เนี่ยถึงเวลาที่เราจะตายเราก็ปล่อยวางได้เพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วถ้าเราดูแลพ่อแม่เต็มที่ถึงเวลาที่เราเองจะไปหรือพ่อแม่จะไปแล้วก็ไม่เสียไม่เศร้าเสียใจมากคนที่ดูแลพ่อแม่มาอย่างดีเนี่ยตลอดเวลาที่ท่านป่วยจนถึงระยะท้ายเนี่ยพอถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจว่าจะยื้อหรือไม่ยื้อเนี่ยถ้าดูแลพ่อแม่ดีมาตลอดนะเป็นปีๆนะ เลือกที่จะไม่ยือ้อเลือกที่จะให้ท่านไปอย่างสบายแต่ลูกเนี่ยลูกที่จะให้ยือ้อพ่อแม่เนี่ยคือลูกแบบนาไม่เค่อยได้ดูแลไม่มีเวลาทํางานเยอะไป อ, อยู่ไกลต่างประเทศลูกคเนี้นะจะเสียงจะดังมากนะในการบอกให้ยือ้อเพราะเขายังทําใจไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ดูแลท่านมากเท่าที่ควร แต่ถ้าดูแลมากเนี่ยนะก็จะปล่อยวางได้ง่ายแม้จะไม่อยากปล่อยแต่ถึงเวลาจะต้องปล่อยถึงเวลาใช่ต้องเลือกระหว่างยือย้อกับไม่ยือ้อและยือ้อทำให้ทรมานเนี่ยเขก็ไม่ยือ้อปล่อยดีกว่าสองอย่างนี้สําคัญนะในการเตรียมตัวให้พร้อมตายและถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้นะมันไม่ใช่ทําให้เราพร้อมตายเดือนนะมันทําให้เรามีชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น การเตรียมตัวเพื่อจะตายให้ดีเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราเนี่ยอยู่ดีด้วยอยู่ดีคืออยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าถ้าเราขวนขวายในสิ่งที่ชอบผัอผ่อนดูแลลูกดูแลพ่อแม่ดีนะความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีก็ทำให้เรามีความสุขหรือถ้าเราเห็นว่าเราต้องปฏิบัติธรรมนะเพื่อเราจะได้พร้อมตายปล่อยวางได้ง่ายเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราก็จะทให้เรามีความสุขตั้งแต่วันนี้ไป ถ้าเรารู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ชอบผัดผ่อนไอสิ่งที่ชอบยึดติดนะเราก็จะมีความสุขได้ง่ายเพราะว่าความทุกข์ของเราเนี่ยความทุกข์ใจของเราทุกวันเนี่ยมันเกิดจากความยึดติดยึดติดในทรัพย์ยึดติดในงานยึดติดในคนรักยึดติดในหน้าตาพอเงินหายก็เสียใจพองานอยู่ประสาก็ทุกข์นะพอมีคนต่อว่าด่าทอเราก็แค้น ทัมดที่มันเกิดจากความยึดติดแต่ถ้าเราปล่อยวางฝึกปล่อยวางเพื่อที่เราจะได้ไปไปตายสงบในวันหน้าเนี่ยอันที่สองหรือผลพลอยได้เนี่ยมันก็คือทําให้เราเนี่ยมีความสุขในวันนี้เงินหายเราก็ไม่ทุกข์นะงานการมีปัญหาเราก็ไม่กัดกลุมมากใครก็ต่อว่าด่าทอเราเราก็ไม่ขับแค้นะมันทําให้เรามีความสุข ในชีวิตประจําวันได้แต่แน่นอนนะบางคนรอนเนี่ยมันจะปล่อยวางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเคล็ดลับในการฝึกให้ปล่อยวางอย่างหนึ่งนะคือมรณสติอัสสีจอ บ, บอกว่าตอนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งตับนะเขาบอกว่าความเทวทิยานความคาดหวังจากคนรอบข้างความกลัวหน้าแตกเนี่ย อารมณ์แ บ, บนี้มันทําให้เขาทุกข์นะเครียดแต่มันจำบันลายหายไปเลยเมื่อเขานึดถึงความตายของตัวเขาเองทุกอย่างจะเป็นเรื่องเล็กปัญหาทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อเรานึดถึงความตายเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะใหญ่เท่าความตายอยู่แล้วโทรศัพท์หายเสียใจนะรถถูกขีดข่วนเสียใจแต่พอนิดถึงความตายปุ๊บทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กนะแม้กระทั่งอกหักเนี่ยนะโอ้คนรัก ตีจากไปเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตมากแต่มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กเลอเมื่อถึงความตายของเราถ้าความตายเนี่ยของเราเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายเหมือนกันทําให้เราปล่อยวางปัญหาต่างๆได้หรือจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่าโอ้ขนาดเงินหมื่นบาทเงินแสนบาทเนี่ยเรายังยังทําใจไม่ได้ที่มันหายแล้วเราจะทําใจได้ยังไงเวลาความตายมาถึงเพราะว่า เมื่อความตายมาถึงไม่ว่าจะมีสิบล้านร้อยล้า น, านมันก็หมดนะมันไม่ได้หมดเฉพาะทรัพย์สินคนลักก็หมดด้ว ย, ยงั้นถ้าเรานึกถึงความนึกถึงเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วเรานึกถึงความตายนะโอ้มันมันมีมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราเจอเยอะเราจะปล่อยวางปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นและเราจะรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการบ้านเพื่อฝึกให้เราเนี่ยสามารถไปรับมือกับความตายในวันข้างหน้าได้ อันนี้คือประโยชน์นะของการเจริญรมนัสติที่ไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เราพร้อมตายได้มากขึ้นแต่มันยังช่วยทําให้เราอยู่อย่างสุขสบายมากขึ้นอันนี้การเจริญรมนัสติเนี่ยมันทําได้หลายแบบนะแต่มันก็มีหลักๆอยู่สองมันก็จะมีหลักอยู่สองอย่างนะสองส่วนอันที่หนึ่งก็คือเรารู้ถึงความจริงว่าเราต้องตายแน่แต่ในความแน่นอนเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนคือไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ ไอ้ Base ความไม่ Long Man. แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่เราทุกคนเนี่ยเวลาเป็นนักเป็นนักเรียนเราไม่เราไม่ชอบการสอบนะแต่เราจะรู้สึกดีถ้ารู้ว่าสอบเมื่อไรแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะสอบเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ ум. แย่เลยนะตื่นมา <okay. S 1> ทุกวันเนี่ยจะเครียดเลยนะแต่เราไม่เคยเครียดแบนเพราะเรารู้ว่าจะสอบเมื่อไหร่นะแต่ความตายเนี่ยมันต่างจากการสอบคือเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่รู้ว่าตายแน่แต่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ ดีข้อที่หนึ่งนะข้อสองหรือถ้าเกิดว่าเราต้องตายวันนี้วันพรุ่งหรือตายอีกสามเดือนข้างหน้าถามตัวเองว่าเราพร้อมไีมเราพร้อมไหมเราทำความดีมาพอหรื อ, อยังหน้าที่ที่เรามีเราทําเสร็จสําเร็จเสร็จสิ้นหรื อ, อยังแล้วก็สามเราพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่าถ้าเรายังทําความดีไม่พอยังทําหน้าที่ไม่ไม่สําเร็จเสร็จสิ้นเด้งปล่อยวาง สิ่งต่างๆไม่ได้ก็แปลว่าเราไม่พร้อมเมื่อไมพร้อมแปลว่าอะไรก็ต้องทําให้ต้องฝึกให้มันพร้อมไม่ได้นี่คือส่วนที่สอ ง, องการเจริญรสนัสติถามตัวเองเราว่าพร้อมไหมถ้าหายต้องตายและเจริญรสนัสตินี่ก็ทําำในหลายแบบนะไม่จำเป็นต้องนอนตายแบบนี้ก็ได้อแต่มาเวลาเดินทางขึ้นรถนั่งเครื่องบินก็ต้นทึกอยู่เสมอว่านะว่าอาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุข้างหน้า บางทีก็ถามตัวเองว่าถ้าเหลต้องตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ชนเครื่องบินตกเนี่ยเราจะวางใจไว้ที่ไหนเราพร้อมไหมเราจะวางใจไว้ที่ไหนจะสวดมนต์จะตามลมหายใจจะนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าจะนึกถึงความดีของเราซ้อมอยู่เสมอนะว่เพว่เราก็ลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะถ้าว่าเดินทางบ่อยนึกถึงว่าไหลต้องไม่จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรา อ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าอ่านข่าวทางโทรศัพท์มือถือมันมีอุบัติเหตุนะมันมีภัยธรรมชาติมีระเบิดนะเราเห็นเราอ่านข่าวพวกนี้เราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเร า, าจะอยากจะสนใจว่าเกิดขึ้นที่ไหนแต่อย่างนี้ได้ประโยชน์น้อยนะแต่ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเออถ้ามัเกิดขึ้นกับเราล่ะเราพร้อมไหมเราจะทําใจอย่างไรเนะี่ย อันนี้ก็เป็นการเจริญเรารคสตินะไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลไปงานศพก็เจริญเรารคสติได้นะงั้นถ้าเราทําบนี่บ่อยๆเนี่ยนะเราจะมันจะไม่ทําให้เราหดถูนะไม่ทําให้เราเนีเกิดความตื่นตัวเกิดเกิดแรงกระตุ้นเราให้มันทําความดีแล้วก็ทําความเพียรแรงกระตุ้นเราเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าสังเวชะที่เราไปเรียกว่าสังเวชเนี่ย แต่สังเวชภาษาไทยมันแปลว่าสลดหดผู๋นะซึ่งมันไม่ถูกนะสลดผู๋เป็นอกุศลอกุศลธรรมแต่ว่าสังเวชะเนี่ยมันเป็นกุศลธรรมมันคือแรงกระตุ้นเตือนให้ได้คิดให้นึกถึงธรรมะให้ทําความเพียรให้สร้างความดีที่เราควรจะไปสังเวชในสถานก็เพื่อ น, นี่แหละเพื่อให้เกิดสังเวชะคือแรงกระตุ้นเราในการ คิดถึงธรรมะคิ่ถึงความดีหรือทําความดีไม่ใช่ไปเพื่อสลดใจน ะ, ะและการเจริญมรรณสติมันทำให้เกิดสังเวชะเชกิดแรงกระตุน้นทำให้ผลขวายในการทําความดีมากขึ้นะไม่เอาแต่เพลิดเพลินสนุกสนานไม่เอาแต่หมกบมบุ่นกับการทำงานก็ฝากไว้นะพวกเราเนี่ยเราไปเจริญมรณมรณสติได้ทุกวันได้ทุกเวลา เอาคนี้พอมีเวลาเหลืออยู่บ้างจะมีใครมีคําถามนะดีไห ม, มถ้าไม่มีก็ก็บอกว่าพวกเราจะได้ได้ง่ายคิดหรือว่าวิธีการในการอาเตรียมตัวตายนะซึ่งอย่างที่ธรรมาบอกนั้นถ้าเราเตรียมตัวตายดีๆนะเตรียมตัวตายเป็นเนี่ยมันทําให้เราอยู่เป็นด้วย นะมันทำให้เรามีชื่อที่ปลอดปรงของอปลอดโปรงแล้วก็แจ่สาสมากขึ้นไม่ได้สลดทดผูเลยซึ่งถ้าจะพูด ส, ปสุปนะีสุบนะชัดๆเนี่ยการเตรียมตัวตายเนี่ยอันที่หนึ่งคือการทำความดีเหมือนสร้างบุญสร้างบุญสนสองเราเป็นความชั่วทำความดีแต่ยังมีความชั่วมันก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกผิดติดค้างใจ นะรบกวนจิตใจทําให้ตายไม่ดีก็ได้นะบางทีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดนิมิตเห็นหน้าคนตายที่ตัวเองเคยฆ่ามาหลอกหล่อเห็นหน้าเห็นสัตว์ร้ายเห็นเสียงสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่าเนี่ยนะมันมารบกวนอันนี้ก็ทําให้ตายไม่ดีเหมือนกันทางธรรมะเรียกว่ากรรมนิมิตนะกรรมนิมิตฝ่ายอกุศลทําความดีแล้วเราเป็นความชั่วแล้วก็ให้ฝึกจิตปล่อยวาง การที่เรามาเจริญสติเนี่ยมันช่วยนะถ้าเราทำเป็นนะทำถูกมื่อทไม่เราปล่อยวางง่ายถ้าเราเจริญสติเพื่อละไม่ใช่เพื่อเอาการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นจนเป็นนิสัยของเราแต่การที่คนเราจะมั่นทําความดีแล้ว เ, เป็นความชั่วแล้วก็ฝึกจิตปล่อยวางเนี่ยมันเป็นการสวนทวนกระแสกิเลสมันทวนกระแสกระแสสังคมเลยนะกระแสสังคมมันเตไม่ได้สิ่งรอบเรายาวยวน ให้เราเพลิดเพลินกับความสุขชั่วคราวมันก็มีตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยทําสิ่งนี้สม่ําเสมอสิ่งนั้นเราเรียกว่ามรณสติถ้าเราเจมอรมอรณสติเป็นประจําเนี่ยไม่ทําให้เราเนี่ยขวนขวายในการทําความดีนะเว้นความช่วยแล้วก็ฝึกจิตปล่อยวางจะไม่ประมาทนะอย่างที่เมื่อกี้ ตอนชาติต่อมาก็พูดถึงพุทธภาษตสั้นๆที่บอกว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราจะมีความเพียรในวันนี้เพราะเราเรารู้ถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราพรุ่งนี้หรือแม้กระทั่งคืนนี้ก็ได้นะถ้าเรารึกถึงความตายเป็นเนี่ยมันกระตุ้นให้เราเกิดความเพียรนะความเพียรก็คือหมั่นทำความดีแล้วเว้นความชั่วแล้วก็ฝึกจิตก็คือโอวาทัปฏิโมกสามนั่นแหละการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลอยูถึงพร้อม การชำระจิตของตนให้ข่าวรอบสามข้อเนี่ยนะถ้าทำถูกทำเป็นนะมันก็ทำให้เราเนี่ยพร้อมตายถึงเวลาความตายมาถึงเราก็เต็มใจตายแล้วถ้าเราเต็มใจตายเนี่ยสิทธิการตายอย่สงบก็จะเป็นของเรานะก็หวังว่าทุกท่านนะจะมีความพร้อมนะไม่เพียงแต่พร้อมในการดำเนินชีวิตนะแต่ว่าพร้อมที่จะตายเมื่อวระสุดท้ายของเรามาถึงนะ ที่สุดนี่ขออ้างคุณพระศิรตทนัตไตรนะอำนวยอวยผลให้ทุกท่านได้จเจริญด้วยอายุวั น, น่าสุขาพละเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีให้ถึงพร้อมนะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะมันบาเพ็ญความเพียรเพื่อให้จิตใจนะผ่องใสมีปัญญาสามารถจะละวางสิ่งต่างๆเพื่อทาให้ได้พบ ก, กับความสุขเกษมสาร เมื่อถึงเวลาที่จะตายก็พร้อมที่จะตายได้ด้วยใจที่สงบหรือยิ่งกว่านั้นคือการเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทิญก็ให้ความภาษาไทยแล้วก็ต่อไปนี้ให้ความเป็นภาษาบาลียะถาวเดียวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตจินนางเปตานังอุปกะปติ จิตตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสมิฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาฉันโทปนรสโอยะถามณีโชติรสโอยะถาสักพีติโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสขิจีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสันิตังอุทธาัปจายินโนจัตตาโรธรร ม, มาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง